เรื่องตอบตามคำถามนำห้าเรื่อง13ึสสหสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพึงจีวรไว้กลางแจ้งแล้วเข้าไปวิหารภิกษุอีกรูปหนึ่งเก็บจีวร น, นั้นด้วยหวังว่าจะไม่ให้จีวรหายภิกษุเจ้าของจีวร อ, ออกมาถามภิกษุรูปที่เก็บไปนั้นว่าท่านจีวรของผมใครลักไปภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมลักไป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 สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพาดผาพปูนั่งไว้บนตังภิกษุอีกรูปหนึ่งเก็บภาพปูนั่งนั้นด้วยหวังว่าจะไม่ให้ภาพปูนั่งหายภิกษุเจ้าของภาพปูนั่งออกมาถามภิกษุกรูปที่เก็บไปนั้นว่าท่านผ้พปูนั่งของผมใครลักไปภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมลักไปภิกษุเจ้าของภาพปูนั่งจับเอาภิกษุรูปที่นําภาปูนั่งไปกล่าวว่าท่านไม่เป็นพระ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 ใต้ตังแล้วเข้าไปวิหารภิกษุอีกรูปหนึ่งได้เก็บบาทนั้นด้วยหวังว่าจะไม่ให้บาทหายภิกษุเจ้าของบาทออกมาถามภิกษุรูปที่เก็บไปนั้นว่าท่านบาทของผมใครลักไปภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมลักไปภิกษุเจ้าของบาทจับเอาภิกษุรูปที่นำบาทไปกล่าวว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปที่นาบาทไปเกิดความกังวลใจว่า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 ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งเก็บจีวร น, นั้นด้วยหวังว่าจะไม่ให้จีวรหายภิกษุณีเจ้าของจีวรออกมาถามภิกษุณีรูปที่เก็บไปนั้นว่าเธอจีวรของฉันใครลักไปภิกษุณีรูปนั้นตอบว่าฉันลักไปภิกษุณีเจ้าของจีวรจับเอาภิกษุณีรูปที่นําจีวรไปกล่าวว่าเธอไม่เป็นพระภิกษุณีรูปที่นําจีวรไปเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงบอกเรื่องนี้แก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอบัตเพราะตอบตามคาถามนาวงเล็บเรื่องที่สาสิบ